นี่ก็ได้ล้วก็กลัวริมลงัวยิ่งจะกอายุมากมากก็มาไม่ไหวเพื่อนๆ้มามามายะวตยก็เกิดพี่สาวญาติๆก็หนดแดง้7 8 หลายวันไหนล่ะขาเบาๆเขาค่ะไปวนหรมวดดวที่ก้นอคนเจ็บเมื <c oughs> ่อวตอนเช้าปวดหน้าไปนเท้าแล้วก็นเย็นลกแล้วปวอีกว่ายงไ อธิกรรมโอ้อธิเก like so ่งไหมเก่งด้วยอธิเอาไปยังไงนะอันนีิจะเรียนถามอยู่นะคะว่าอธิที่เผาแล้วลงลงูอินว่าจะทำอย่างไรครับียหางายลอยังไงลอยังปกติก็ถราลอยังไงกันอยู่ เพ่าพ um ่อแม่จ้องต้างอาไหว้เร่องานไปไม่ได้งามจะไปอยู่ฝั่งไม่ได้งไมรถไฟสบายถ้าสานก็ไปทำสานไปเลยแล้วก็ใช้่าใหญ่ใหญ่ไม่ได้ตายตลูกหมดนะตูกเราพยามเอาถุงคุไปใส่ในน่งต้าวไปแยกกันก็ไม่ดีเราะมันจะท่านู่นเพราะมันจะท่านี่ าเป็นเวลาเอาไปตัดตัดไปเลยตัดนี่ขาตัดที่ขาไป ถ้ามานี่ภาคที่สามที่สอเาได้ทำตัวต่อไป พี่ๆน้องของท่าน่ละเราก็จัดรีเดนระครเรมีเรมีของลูกเจ้าม่ใช่แบนี้เนของโลก้าเของลูกเจ้าจะแยกานเดียวน่เ็ง่ เดียวทางพิ้งเดียวทางโค้งเมื่อไรจะถึงนอกจากพวกมากว่าพวกากว่าคุณชาติทำทางคัณชาติที่จะไปถึงสวรรค์ถึงปะนิพานมันไปติดดอกไม้สุขเชียนอยู่นี่เที่ยวทางเวอง์เหลายมันจะคำเข้าใจไม่ภาษาอีสาน จะทางเวิเหลืงหลายวิธีทำภาษาทางมาแปลเที่ยวทางคง้งนนานเดี๋ยวจะขําก่อนน้องตะปวนบอกว่ า, ม, า, คค า, า ม, มันจะดชาทําพระแต่ข้ามเมื่อก่อนน้อจะไปเก็บดอกไม้โน่นนู้น้าตายสารก็ว่าป่วนบอกว่ามันชาเวลา ไปถึงสวรรค์นิพพานนี้ไม่ดีกับบาปกับกรรมอย่างนะตัดเขาดอกไม่เป็นต้นไม่เป็นคนเป็นนะจะตัดเขามาทำไมเขาเกิดมาธรรมชาติเขาปล่อยให้รุ่งร่วงไปเองไปตัดมาบังคับเข้ามาถ้าเอาพวกนั้นกับว่าของปลอมก็ทําให้เจ้าทําให้ใจของคนเราไปชอบของปลอม ความแต่ตัวของเราก็ชอบจะไปแล้วจะไปทําให้ชอบหลงอยู่นั่นแหละในใจอยู่ด้วยจอมความหรือคนเราดูถึงลูกหลานความผมความผลความผมความขนความเล็บความฟันความหนังเอาอะไรมาความล่ะเอาหน้าสีนู่นสีนี่มาความมาทาเขาบอกว่าอะไรเครื่องทําฉิวทั้งน่นเครื่องทําผิวทังนี้เห็นดู อังกฤษอเขาคอยหลวงปู่บอกว่าให้เรียกมาเรียกมานะเขาบอกว่าให้มาส่งพระจินตบานขอเวลาหนึ่งนาทีหลวงปูเาา่เอาคาเอาข่าน้ามันกรนกันนะเป้าหน่ายขอได้ไไ่ได้ยื่อจะค่อยบอกค่อยพระยุบไหวพระค่อย ก็ได้รายนี้เราลงโก้เปาหน้าที่หนึ่งได้สี่รอ้อเห็นไหมละ่ะความหน้าคนคนแก่แล้วความให้เป็นหน้าคนหนุ่มว่างั้นความได้เพราะได้เยอะจักมือสิบกว่ามืน่นเล ย, ย, ยละยอมเสียสี่ร้อยต่อสิกว่าวันนะไปติดของความเงินน่ะไม่ปล่อยให้เท่าให้แก่ คำของพุณเจ้าว่างไงล่ะสังขารร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เจ็บตายอืเป็นสัญลักษณ์ห้ามได้ไหมห้ามได้ไหมมันห้ามไม่ได้ครับคือฝืนธรรมชาติของพุณเจ้าฟังเสียงของคเจ้าได้ยินไหมล่ะเกิดแล้วแก่เจ็บตายสังขารร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เจ็บตายถ้อาอาธมะไป พิจนาตัวนี้เขาไปพิจณาตัวนี้เขาไปเรื่อยๆคนดอนน้ำชาของตัวกบกจิตใจเออพาไปด้วยกิเลสว่าตัวกูสวยงามตัวกูนั่นนทะท้าววันมั่นคงไม่อยากให้แกไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตายไม่อยากให้เท่าไห่มันก็เป็นพระความกินเป็นอย่างนั้นความยอมความความหลอกใจของเราเราไม่รู้จักถิ่นธรรมไม่รู้จัก คำว่าบุญบุญอยู่ที่ใจบุญอยู่ความสุขของใจใจจะมีความสุมขพอใจ อ, ใจอยู่ลมใจอยู่กับลมใช่ไหมไม่มีลมต่อไปแล้วใช่ไหมต่ไม่รู้คนเราเดี๋ยวเวลาใจไม่นิ่งใจไม่สงบใจวุ่นวายอยู่ดูไม่ได้น่ะของเล่นของประเสริฐไม่ดู บอกว่าปเสธดูไม่ได้ดูไม่ได้เจ้าสอนทาบุญสอนให้ทาบุญ่อนให้ดูใจสอนในใจมีความโศกโศกโศกเกินยิ่งกว่าความสงบไม่มีเขา้วก็แฝงชัดๆนะเข้าใจไม่เข้าไม่แฝงชัดๆไม่พิจารณาให้ละเอียดเราไม่เข้าใจนะทําไม่ได้ทําไม่ได้นั่นถ้าผู้มีปัญญาสิ่งที่ทําไม่ได้ไม่มีในโลก สิ่งที่ทําไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนจะแบบหาปฏิเสธได้ยังไงพระเจ้าคือเสื้อตะเกียร์กกมีตะเกีลรนไหมล่ะที่ทาไม่ได้เพราะเกียร์ห้ามไว้ใช่ไหมยาของพระพุทธเจ้าพูดแล้วยาของพระเจ้าไม่มีราคาไม่ต้องไปแบบไปหามด้หมอประจาไหนอยู่ในที่นี้ ยาพระเจ้าจมูกของเราลมเข้าลมออกยาพระพเจ้าถ้ารักษาลมได้แล้วไม่มีเกิดแจกเก็บตายก็หมดไปแล้วง่ายไหม ย, ยาลงบันหอบอไปที่ไหนจีร้องจีร้องถึงเวลาแล้วก็ไม่หายจะนีหรือคนไหนหายแล้วเขายังอยู่ตัว ท, ท่ตาย ดีไม่ดีก็มาเกิดอีกแก่อีกเจ็บอีกตายอีกเกิดอีกแก่อีกเจ็บอีกตายอีกรู้กี่ครบรกี่ชาติที่ตัดกันอพยายามภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วจะห้ามต่าอะไรบังคับต่ออะไรจะบอกต่อไหไรไหว้วันต่าไหไรก็ไหว้วันไม่ได้เพราะควาเป็นจริงเป็นอยู่อย่างนั้นเกิดแล้แก่เจ็บตายถ้าอยากไม่ แก่ไม่เก็บไม่ตายพวปฏิบัติตามคำของพระเจ้าไม่เกินไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายน่นที่รักเสียเหลือออกมาก็มาทำจุดนี้มาดูใจอาจารย์ที่คุณพ่อไปเตือนจิดโทรหาอยู่ว่น้อทางญาติโยมทางอังกฤษจากจีนมนไปเผยแผ่เพราะท่านได้ภาษาเนื้อถามดูก่อนโทรมาก็ ผมกลับมาอยู่บ้านแล้วไม่สบายอะไถ้าคำว่าไม่สบายเราถ้ากลับมาบ้านเรามันใจลงไปต่ำแล้วเตือนได้ที่พูดนั่นแหละอย่าไปเชื่อชีเหลสนะเกิดแล้วแก่เก็บตายเราสุดเราเวียนเราเรียนเราอ่าน้อมาฝึกหัดแล้วให้รู้จุดนี้ไม่มีหรอกโลคไหนจะรักษาหายได้มีจตโรคของพระพุทธเจ้า นีสัาของพระเจ้าท่านันแหละจะรักษาได้ลเล่งเอาเล่งเอาเล่งเอาดูเอามาเตือนแล้วคำว่าไม่สบายเกินแล้วแก่เก็บเก็บกับสัตว์ไม่สบายควนหมายเดียวกันเกิดแล้วแก่เก็บตายอยากให้พยายามเล่นหนักภาคปฏิบัติทุกๆคนเพราะวันไม่ได้ซื้ออาหารใจไม่ได้ซื้อม้กั่ เดียวใจภายหลัง น, น, นะเดียนะเขาได้ออกมาปฏิบัติพาลูกผู้ไปก็ได้บวช ด, ด้วยทางนู่นัางแรกก็บวชก็อยู่มาได้ประมาตั้งโลกคตั้งไรูเอาไปเราก็รู้รสชาติโรพกพอดีดเรียนเขียนอ่านให้ลูกให้ลใหลานรงเรียนจบลูกจบหลานเรียนเขียนอาน่านถ้าคนใต้ก็จบพอดี ทำการทำงานบริมอสทั้ง4ี่คนแล้วถ้าหากพูดฝึกตามคำสอนของกุญแจจริงๆแล้วก็ไปสบายเราต้องเตรียมอยู่เสมอเตรียมอยู่เสมอย่ำอยู่เสมอเตรียมตัวก่อนไปสมไม่อยู่กับลุงปู่ลุงปู่เตรียมตัวก่อนตายเตรียมตัวก่อนตายถ้าเราได้เตรียมตัวเราก็มีมันทางที่จะไปถึงได้ถ้าเราไม่เตรียมก็มืด การเตรียมตัวคือการเตรียมใจให้สาว่างแสงสว่างสมรวยปัญญาไม่มีปัญญามาจากสมาธิจิต ส, สมาธิปัญญานั่นจิตแล้วก็เหตุละทุกอย่างทางโลกก็มามีจิตแล้วก็ทําสมาธิฝึกทุกวันทุกวันทุกวั น, วนแล้วก็เกิดปัญญายัหนึ่งจงทราบเบื่อยันหนึ่งที่พระเจ้าก็ะส่งตุปปาอาจารย์ทางวัดก็มารวมกันแสดงถึงความ ตลอดสังเวทในร่านจินตใจพแสดงผลเมตตาแต่ตอนที่มีชีวิตแสดงผลเมตตาให้บอกไปเตือนให้ส อ, อนให้ให้ะร ะ, ลละมัดระวังใจตลอดระวัดาะวังใจก็ไปเป็นสุขโตมาอยู่สุโตมาสุขโตอยู่สุขโตกับสุขโตคนน้อคนมากเข้าใจมาสุขโตอยู่ทุกขโต อยู่ด้วยควทุกมาด้วยคนทุแต่อยู่ด้วยคนทุกขาดทุนแล้วไม่่ทราบาจาีีแล้วโมตนารับกุศลจากพระเจ้าประสมว่าอาจารย์มาตรวจให้แล้วต้องไปศึกษติสมัคมปัฒนาตลอดตั้งคนแด้โยงลูกหลานได้ที่ดินนอกจะได้ร่วมทาทุกวันทุกวันพระองคประสบจากความุขคนเจริญทุขกายทุกใจหาจากทุกโศกโรคภัปัันาใดทํางานเกิดเงินทุก ตรงสเร็จตรงสำเร็จโดยฉพาะในหลักคำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมีหนຽเปิดดวงใจดนห่งสี่งแห่ธรรมในภพชาตินีเอโมตาสับวัโต กัลลังเอวเวัยโตเด่นนังเปโตรนังอุปการปฏิปิติตัมปฏิตัมตุมะตมิจตุสัพเพปุริยตุสังกปะจันโตมเนราโสจัตตามเนชโ ตัณหิตายะสาทานาโซภะกะปติโสญาติธรมโมจายังมิรัสิโตเตะนาปูชาจักกะตาอุราลาวาลัณจามิุังอนุปลินังให้บุญยังปัสตังอนาปัจันติวัดูสะพมังระัตสะปเทวตา สัพะพุทธลุคาเวนะสดาสดีพะวนตุเตภะวตุสาพะมังกรังระคันตุสาพเดวะตาสัพพะธรรมานุคาเวนะสดาสดีพวนตุเตภวตุสาพะมังกรังระทันตุสาพพเดวะตาสัพพส